ความจริงคือทางสู่ความดับทุกข์พระพุทธองค์ตรัสอริยมรรคอันเป็นหนทางดำเนินสู่ความดับทุกข์ว่าภิกษุทั้งหลายอริยสัจที่เป็นทางสู่ความดับทุกข์นี้เป็นอริยมรรคมีองค์แปดนี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิในบทที่สามได้อธิบายเกี่ยวกับอริยมรรคไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วจึงจะขอกล่าวเฉพาะหัวข้อที่เห็นว่าควรย้ำเป็นพิเศษกล่าวคือในอริยมรรคมีองค์แปดนั้นสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะจัดอยู่ในหมวดปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะ จัดอยู่ในหมวดสีนส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจัดอยู่ในหมวดของสมาธิการรู้เห็นอริยสัจสีของสัมมาทิฏฐิพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจเกี่ยวกับทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ดังนั้นสัมมาทิฐิจึงเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับอริยสัจสี4ตามความเป็นจริงในคำพีอักิกถากล่าวไว้ว่าทุกขสัจและสมุทยัยสัจจัดเป็นความจริงเกี่ยวกับวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดในวงเล็บวัตสัสจจะ ส่วนนิโรธาสัตว์และมัคคสัตต์เป็นความจริงเกี่ยวกับวิวัตตาคือการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในวงเล็บวิวัตสัจจะด้วยเหตุดังกล่าวผู้ปฏิบัติธรรมจึงกำหนดรู้วัตสัจจะคือทุกข์และเหตุของทุกข์อันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเท่านั้นไม่ควรกำหนดรู้วิวัตสัจจะ เพราะเป็นสิ่งที่ปุตุชนยังไม่ได้เข้าถึงบุคคลที่ยังไม่ได้บรรลุอนุโลมมยานจะไม่สามารถเอามรรคผลและนิพพานเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้เลยเพราะยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งสภาวธรรมเหล่านี้ดังนั้นการพิจารณาพระนิพพานเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจึงไม่ถูกต้องอันหนึง่งอุปสมานุสติ ที่เป็นการระลึกถึงความสงบของนิพพานจัดเป็นการน้อมลักษณะของนิพพานคือความปราศจากราคะในวงเล็บวิราคะเป็นต้นมาพิจารณาเพื่อให้เกิดสมาธิเท่านั้นไม่อาจนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้โดยตรงและเป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่พระอริยะเท่านั้น ปุทุชนที่ยังไม่ได้บรรลุโลกุตระมักจึงไม่ควรพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาในคำพีอัตกถากล่าวว่าผู้ปรารบความเพียนได้เรียนรู้จากวิปัสสนาจารย์โดยย่อว่าขันห้าเป็นทุกขศัสตร์และตันหาเป็นสมุทยาศาสตร์หรือโดยละเอียดว่าขันห้าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ และในบรรดาขันห้าเหล่านั้นรูปขันประกอบด้วยมหาภูตรูปและอุปทัยรูปเป็นต้นแล้วท่องจำไว้หลังจากนั้นจึงกำหนดรู้สัจจะสองอย่างแรกเป็นอารมณ์ของวิปัสนาส่วนสัจจะที่เหลือคือนิโรทสัจและมรคสัจไม่จำเป็นต้องกำหนดรู้เพียงแต่ความเข้าใจว่าสัจจะดังกล่าว เป็นภาวะที่ดีเลิรน่าปรารถนาพอใจก็นับว่าเพียงพอแล้วกล่าวโดยพิสดารว่าผู้ปรารภความเพียรเรียนรู้สัจจะสองอย่างแรกในสำนักของอาจารย์โดยย่อยอย่างนี้ว่าขันห้าเป็นทุกตัญหาเป็นสมุทยัยหรือเรียนรู้โดยพิสดารตามในว่าขันห้าคืออะไรคือรู ป, ปขัน เป็นต้นแล้วสาธยายทางวาจาเนืองเนืองชื่อว่าย่อมทําความเพียนแต่ในสัจจะทั้งสองอย่างอื่นเขาย่อมทำความเพียนด้วยการสดับอย่างนี้ว่านิโรธสัตดีเลิศหน้าปรารถนาพอใจมัคสัตดีเลิศหน้าปรารถนาพอใจเขาทำความเพียงอยู่อย่างนี้ย่อมชื่อว่าแทงตลอด สัจจะสีโดยการแทงตลอดคราวเดียวคือย่อมเข้าใจด้วยความเข้าใจคราวเดียวกราวคือย่อมแทงตลอดทุกขัสัจด้วยการแทงตลอดคือการกำหนดรู้ย่อมแทงตลอดสมุทยัสัจด้วยการแทงตลอดคือการละย่อมแทงตลอดนิโรทัสัจด้วยการแทงตลอดคือการกระทำให้แจ้ง ย่อมแทงตลอดมัคคสัตด้วยการแทงตลอดคือการอบรมย่อมเข้าใจทุกสัตด้วยความเข้าใจคือการกําหนดรู้ย่อมเข้าใจมัคคสัตด้วยความเข้าใจคือการอบรมโดยประการดังนี้การแทงตลอดด้วยการเรียนไต่ถามสดับทรงจาและพิจาราย่อมมีได้แก่เขาในสัจจะทั้งสองในเบื้องแรก ก่อนที่จะบรลุโลกุตระมักส่วนการแทงตลอดด้วยการสดับมีได้ในสัจจะสองโดยแท้ในภายหลังที่บรลุโลกุตระมักการแทงตลอดในสัจจะส ม, มีได้โดยหน้าที่ในวงเล็บคือการกำหนดรู้การละและการอบรมส่วนในเนโรทัสั์มีการแทงตลอดโดยรับ เอาเป็นอารมณ์เมื่อบุคคลนั้นเพียรปฏิบัติวิปัสนาอย่างต่อเนื่องดังนี้ย่อมรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่พร้อมกันในคราวเดียวการรู้เห็นดังกล่าวเรียกว่าปฏิเวทะการแทงตลอดและอภิสมะยะความเข้าใจคือเขารู้เห็นทุกข์ด้วยการกําหนดรู้รู้เห็นสมุทัยด้วยการละ รู้เห็นนิโรธด้วยการรู้แจ้งและรู้เห็นมรด้วยการอบรมเขาย่อมรู้ความจริงว่าทุกเป็นสภาวะที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นสภาวะที่ควรละนิโรธเป็นสภาวะที่ควรทำให้แจ้งและมรดเป็นสภาวะที่ควรอบรมตามคําอธิบายในคำพีอัตถกถาข้างต้นพิสุเรียนรู้เกี่ยวกับทุกขสัจและสมุทยัยสัจ โดยการฟังคำแนะนำของวิปัสสนาอาจารย์ด้วยการซักถามด้วยการทรงจำและด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาส่วนความรู้เกี่ยวกับนิโรธสัตว์และมรรคสัต์นั้นเป็นสุดตม ป, ปัญญาที่มีความรู้จากการสดับมาจากบุคคลอื่นต่อเมื่อวิปัสสนาแก่กล้าขึ้นจนสามารถทากิจสามประการคือกาหนดรู้ทุกข์ละสมุทยัย และพัฒนามักให้เจริญขึ้นแล้วนิโรธศัสตร์ก็จะประจักษ์แจ้งไปพร้อมกันดังนั้นในเวลาเริ่มปฏิบัติผู้ปฏิบัติทำเพียงเจริญนิโรธศัสตร์และมรรคศัสตร์ด้วยการฟังคำสอนและน้อมใจในการปฏิบัติเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องตั้งใจกำหนดรู้เหมือนทุกขศสตร์และสมุทยัทยศสตร์ ความรู้ทางปริยัตมีความจําเป็นเพียงใดในคัมภีอัธกถาที่นํามาแสดงไว้ข้างต้นกล่าวว่าผู้ปรารบความเพียรได้เรียนรู้จากวิปัสสนาจารย์โดยย่อว่าขันห้าเป็นทุกขสัตว์และตันหาเป็นสมุทยสัตว์ก็จะเป็นการเพียงพอแล้วและแม้พระสูตรนี้ก็ตรัสว่ากล่าวโดยสรุปอุปทานขันห้าเป็นทุกข์ ในวงเล็บสังคิเตเณรปัญจุปาทานนักขันธาทุกขาดังนั้นอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารทั้งหในขณะเห็นเป็นต้นจึงจัดเป็นอุปทานนักขันอีกทั้งสมุทยาศาสตร์ที่กล่าวไว้โดยพิสดารก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายแล้วความรู้เรื่องทุกขศาสตร์และสมุทยาศาสตร์นี้ก็คือปฏิจจสมุปบาท โดยย่อนั่นเองดังคำพีดีกาของวิสุทธิมักกล่าวว่าคำสอนของพระอัสชิว่าเยธมาเหตุปปะพวาเตสังเหตุงตถาคตโตอาหะธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นเป็นข้อความสรุปของปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ โดยพิสดาร น, นอกจากนั้นในคำภีอัตกถาของมหาวากก็กล่าวว่าบาทคาถาว่าเยธรมมาเหตุตุปปภาวในวงเล็บทาลาวดมีเหตุเป็นแดนเกิดหมายความว่าเบญจขันชื่อว่ามีเหตุเป็นแดนเกิดข้อความนั้นแสดงทุกขสัตว์ในวงเล็บคือขันห้า แกปริพาชกอุปติสสะบาทคาถาว่าเตสังเหตุงตถาคตโตอาหะในวงเล็บพระทถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นหมายความว่าเหตของธรรมเหล่านั้นชื่อว่าสมุทยาศาสตว์พระอัชชิสแสดงว่าพระทตาคตตรัสเหตุนั้นอีกด้วยด้วยเหตุดังกล่าว การเชื่อมโยงของทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือปฏิจจสมุปบาทโดยสังเขตนั่นเองการสอนวิปัสนาด้วยการให้ผู้ปฏิบัติเรียนรู้หลักปฏิจจสมุปบาทอย่างพิสดารก่อนตามความเห็นของบางสำนักจึงไม่ถูกต้องคำอธิบายข้างต้นนั้นกล่าวตามคำพีอัตถกถาและดีกาที่เน้นความเข้าใจ เรื่องของทุกขศัตร์และสมุทยศัตร์ในพระสูตรได้พบข้อความที่กล่าวถึงการเรียนรู้ว่ารูปนามหรือขันห้าที่ปรากฏทางทวารหกไม่ควรยึดมั่นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนแต่มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนความเข้าใจอย่างนี้จัดเป็นสุตมปัญญาที่เพียงพอแก่การปฏิบัติวิปัสสนา ดังข้อความในมัชชิมนิกายมูลปัญ น, นาสจุลตันหาสังคยสูตรว่าจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับมาว่าสภาวธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนวิธีเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างเห็นตามความเป็นจริงโดยกำหนดรูรูปนามที่ปรากฏเฉพาะหน้า แล้วจึงเกิดปัญญารู้เห็นสภาวธรรมทั้งหมดว่าอยู่ในขอบเขตของไตรลักษณ์ดังข้อความในพระสูตรนั้นว่าเธอย่อมรู้เฉพาะสภาวธรรมทั้งปวงเมื่อรู้เฉพาะสภาวธรรมทั้งปวงแล้วย่อมอย่างเห็นสภาวธรรมทั้งปวงการรู้เฉพาะสภาวธรรมทั้งปวงคือการกำหนด ร, รูปนามในปัจจุบันขณะ ในขณะเห็นได้ยินแล้วรู้ว่าความแตกต่างของรูปนามที่จัดเป็นนามรูปปริเชทยานอีกทั้งรู้เห็นความเป็นเหตุเป็นผลการและกันทั้งรูปและนามที่จัดเป็นปัจจยะปริฆหญาณว่าเพราะมีตาและสีจึงเกิดมีสภาวะเห็นเกิดขึ้นดังนี้เป็นต้น วิปัสนาญาณทั้งสองอย่างนี้ชื่อว่ายาตปริญญาคือการรู้ชัดด้วยการกำหนดรู้การอย่างเห็นสภาวธรรมทั้งปวงคือการรู้เห็นสภาวธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจัดเป็นตีรณปริญญาในวงเล็บการรู้ชัดด้วยการพิจารณาสามั ญ, ญลักษณะและปะหาหน้าปริญญา ในวงเล็บการรู้ชัดด้วยการละข้อสำคัญที่ไม่ควรลืมคือการสดับและเข้าใจตามนั้นว่าสภาวะธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นสุดตรรมะปัญญาที่เพียงพอสำหรับเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติได้แล้วไม่จำเป็นต้องศึกษาปฏิจจสมบปบาทอย่างพิสดารเสียก่อน จึงจะเริ่มปฏิบัติตามที่บางคนกล่าวอ้างในปัจจุบันเพราะเป็นการคัดค้านคำสอนเพราะเป็นการคัดค้านคำสอนในจุลตันหาสังคยสูตรและทำให้ผู้มีศรัทธาปฏิบัติต้องเสียกําลังใจอีกด้วยถ้าความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยพิสดารเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วซายผู้ไม่มีโอกาสศึกษาหลักปฏิจจสมุปบาท ก็คงไม่มีโอกาสจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานแม้เขาจะมีคุณสมบัติเพียงพอในปัจจุบั น, นธรรมได้ก็ตามซึ่งตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็คือพระจุลปันธกาไม่สามารถทรงจำคาถาเพียงหนึ่งบทแม้จะพยายามท่องจำถึงสี่เดือนถ้าหากจะให้ท่านเรียนหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างพิสดารก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อท่านได้เจริญวิปัสนาตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งสี่ภายในเวลาเช้าวันนั้นทีเดียวผู้ปรารภความเพียรที่ประสงค์จะปฏิบัติตามลำพังจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องขันธ์ธาตุสัจจาอินทรีย์และปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียดแต่ผู้ที่มีอาจารย์แนะนาสอนไม่จาเป็นต้องเรียนรู้อย่างอื่น นอกจากความจริงว่าสภาวธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนหรือรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์สัตว์และตันหาเป็นสมุทัยสัตว์ความเข้าใจเพียงเท่านี้ถือว่าเพียงพอแล้วชาวพุทธโดยทั่วไปมีความรู้พื้นฐานดังกล่าวอยู่แล้วผู้ที่ยังไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็อาจจะหาความรู้จากการฟังเทศของวิปัสสนาจารย์ ก่อนจะเข้าอบรมหรือในระหว่างนั้นก็ได้เท่านี้ก็เพียงพอสําหรับเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมที่อยู่ในความดูแลของพระวิปัสสนาจารย์ผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเบื้องต้นนั้นได้กล่าวไว้โดยละเอียดแล้วในบทที่สในที่นี้จะกล่าวสรุปเฉพาะขั้นตอนของการปฏิบัติที่เกี่ยวกับมูลมาก วิปัสสนามักและโลกุตระมกักมูลมักคือทางปฏิบัติขั้นต้นประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเช่นความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิและการรักษาศีลอีกทั้งยังเป็นการอบรมจิตให้เกิดอุปจารสมาธิ หรืออัปนาสมาธิสำหรับผู้ที่เป็นสมัตยานิกชาวพุทธส่วนใหญ่มักได้รับการสอนเรื่องกรรมสักกตาสัมมาทิฏฐินี้มาตั้งแต่ยาวัยส่วนการรักษาศีล น, นั้นผู้ที่ยังไม่ได้รักษาศีลควรเริ่มสมาทานศีนก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหรือในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมก็ได้ผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นพระภิกษุ ควรชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์โดยการปรงอบตดนอกจากนั้นการอบรมสมาธิกระทำได้ด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเป็นต้นจนบรรลุอุปจาราสมาธิหรืออัปนาสมาธิถ้าโอกาสไม่อํานวยให้เจริญสมาธิได้ผู้ปฏิบัติธรรมอา จ, จเจริญวิปัสนาโดยตรงด้วยการกำหนดรู้ธาตุทั้งสี่เพื่อ ให้เกิดคณิกะสมาธิซึ่งมีกำลังเทียบเท่ากับอุปจารสมาธิอันสามารถขจัดนิวรและชำระจิตให้บริสุทธิ์บรรลุถึงความเป็นจิตที่จิตตวิสุธทธิได้การอบรมวิปัสสนามา หลังจากได้เจริญมูลมรคจนสมบูรณ์แล้วผู้ปฏิบัติธรรมต้องกำหนดรู้ทุกขสัตว์คืออุปทานาขันห้าโดยการกำหนดรู้สภาวะรามตามนามรูปที่ปรากฏชัดในขณะนั้นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสและคิดนึกถ้าบุคคลนั้นขาดสติไม่ได้กำหนดรู้ตามความเป็นจริง ก็จะเกิดความเข้าใจผิดและยึดมั่นว่าเที่ยงเป็นสุกเป็นตัวตนดังที่กล่าวไว้แล้วในบทที่สามและที่สี่เมื่อสมาธิมีความตั้งมั่นมากขึ้นแล้วผู้ปฏิบัติธรรมก็จะอย่างเห็นสภาวะที่ไม่เที่ยงในความเกิดดับของรูปนามสภาวะทุกข์และสภาวะบังคับบัญชาไม่ได้เขาย่อมรู้เห็นว่าอากับกิริยาต่างๆเช่น พองยุบนั่งสัมผัสคูเหยียดยกย่างเหยียบเคลื่อนหยุดเป็นต้นเป็นคนละอย่างแยกกันกับจิตที่รู้อยู่การรู้เห็นอย่างนี้เรียกว่านามรูปปริเฉทะยานคือปัญญากําหนดรูปนามซึ่งเป็นวิปัสนาญาณขั้นต้นที่ยังความเห็นให้แตกต่างระหว่างรูปกับนามและเป็นวิปัสนา ขั้นพื้นฐานของวิปัสสนาอื่นทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงเปรียบการรู้เห็นรูปนามดังกล่าวว่าเหมือนเส้นด้ายที่ร้อยอยู่ในแก้วไพรทูลอุปมาเรื่องนี้พบในสามัญญผลสูตรและมหาสกุลุทายิสูตรในพระสูตรข้างต้นตรัสว่าบุรุษผู้มีจักษุเป็นหนึ่งวางแก้วไพรทูลที่ภายในร้อยได้ด้วยเส้นด้ายสีเขียว แดงขาวหรือเหลืองอ่อนไว้ในมือเขาย่อมเห็นความแตกต่างระหว่างแก้วไพลทูนกับเส้นได้สีต่างๆและรู้ว่าเส้นได้ร้อยอยู่ภายในแก้วไพลทูนในทํานองเดียวกันผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นความแตกต่างระหว่างจิตที่รู้กับรูปที่ได้รู้และยังรู้ด้วยว่าจิตเป็นธรรมชาติที่น้อมไปหาอารมณ์ในตัวอย่างนี้ รูปคือร่างกายเปรียบเหมือนแก้วไพลทูลส่วนจิตรู้ที่น้อมเข้าไปหาอารมณ์เปรียบเหมือนเส้นได้ที่ร้อยอยู่ภายในอย่างไรก็ตามในตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างนามกับรูปเท่านั้นไม่ได้แยกแยะจํานวนของรูปและจํานวนของนามได้แก่จิตและเจตสิก คำพีวิสุทธิ์ที่มักก็ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดว่ารูปและนามแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเพียงกล่าวว่านามรับเอารูปเป็นอารมณ์และกล่าวว่ารูปกับนามเป็นเหตุผลของกันและกันดังข้อความว่าโดยแท้จริงแล้วนามที่มีรูปนั้นเป็นอารมณ์ย่อมปรากฏเมื่อรูปได้ประจักษ์ชัดเจนสะอาดบริสุทธิ์ดีแก่เธอแล้ว ที่จริงแล้วรูปย่อมดำเนินไปโดยอาศัยนามและนามก็ดำเนินไปโดยอาศัยรูปเมื่อนามมีความต้องการจะเคี้ยวดื่มพูดและทำอิริยาบดรูปจึงเคี้ยวดื่มพูดและทำอิริยาบดได้เหตุนั้นการนับจำนวนรูปนามตามหลักของพระอภิธรรมจึงไม่ใช่รูปนามปริเชทธธยาน การบรรลุฌานขั้นนี้จะต้องเกิดจากการรู้เห็นสภาวะของรูปนามตลอดจนความแตกต่างระหว่างรูปกับนามเท่านั้นตามคำอธิบายข้างต้นนี้ปัญญาที่แยกแยะความแตกต่างกันระหว่างรูปกับนามจึงจัดเป็นสัมมาทิฏฐิผู้ปฏิบัติธรรมอาจศึกษาได้จากตําราก่อนการปฏิบัติแต่การรู้เห็นจากประสบการณ์ในการปฏิบัติ เป็นการเห็นโดยประจักษ์ในขณะบรรลุนามรูปปริเฉทธยานเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้จิตที่คิดหรือทุกขเวทนาที่ปรากฏเขาจะรู้เห็นว่าจิตที่รู้การคิดเป็นคนละอย่างกับรูปที่ถูกคิดหรือจิตที่รู้ทุกขเวทนาเป็นคนละอย่างกับรูปอันเป็นที่ตั้งของเวทนาการเห็นความแตกต่างระหว่างรูปกับนามนี้ เป็นสัมมาทิฏฐิผู้ที่รู้เห็นอย่างนี้ย่อมเข้าใจว่ามีแต่รูปกับนามเท่านั้นที่เกิดขึ้นไม่มีสัตว์หรือบุคคลอยู่ในรูปนามความเข้าใจเช่นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อสมาธิมีพลังแก่กล้าขึ้นอีกในขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้สภาวะพองยุบนั่งหรือกระทบสัมผัสอยู่นั้น จะรู้เห็นว่าการสัมผัสเกิดขึ้นเพราะมีรูปที่ถูกสัมผัสการเห็นเกิดขึ้นได้เพราะมีตาและรูปการได้ยินเกิดขึ้นเพราะมีหูและเสียงการคูเกิดขึ้นเพราะมีความต้องการจะคูและผู้ปฏิบัติทำยังรู้ต่อไปอีกว่าการไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงเกิดขึ้นเพราะไม่ได้กาหนดรู้ความชอบใจเกิดขึ้น เพราะการไม่รู้เท่าทันความยึดมั่นเกิดขึ้นเพราะความชอบใจเมื่อมีความยึดมั่นก็มีการทำกรรมต่างๆเมื่อมีการทำกรรมก็เกิดผลของกรรมตามมากรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วนี้เป็นปัญญาที่รู้เห็นความเป็นเหตุเป็นผลของสภาวะธรรมจัดเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อสมาธิแก่กล้าขึ้นอีกผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้เห็นความเกิดดับของสภาวธรรมที่เกิดรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะจึงเข้าใจว่าสภาวธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นทุกข์เพราะเป็นสภาพน่ากลัวและไม่ใช่ตัวตนเพราะบังคับบัญชาไม่ได้ปัญญาที่รู้เห็นอย่างนี้จัดเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อปฏิบัติต่อไปจนสมาธิมีกำลังมากกว่าเดิมผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่รับรู้รูปร่างสันฐานของร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วนแต่จะรับรู้เฉพาะความดับไปอย่างรวดเร็วของรูปนามทำให้มีความเข้าใจชัดเจนกว่าเดิมว่าสภาวธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบุคคล น, นั้นย่อมรู้เห็นว่า สภาวะธรรมที่ถูกกำหนดรู้นั้นดับไปอย่างรวดเร็วในทันทีที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรที่ควรยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราแม้จิตที่รู้ก็ดับไปอย่างรวดเร็วยึดถือว่าเป็นตัวตนไม่ได้เช่นเดียวกันปัญญาที่รู้เห็นไตรลักษณ์ในขณะยังเห็นความดับไปของรูปนามนี้จัดเป็นสัมมาทิฏฐิ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขณะเกิดนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นมาปัญญาได้รับการพัฒนาขึ้นโดยลำดับการรู้เห็นตามความเป็นจริงนี้เป็นสัมมาทิฏฐิการน้อมใจไปในการรับรู้สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามตั้งจิตให้รู้เท่าทันสภาวธรรมตลอดเวลาที่กาลังปฏิบัติอยู่ เป็นสัมมาวายามะการตามระลึกรู้กองรูปเวทนาจิตหรือสภาวธรรมเป็นสัมมาสติและความตั้งมั่นของจิตในอารมณ์ที่กําหนดรู้เป็นสัมมาสมาธิทุกขณะที่ปฏิบัติผู้ปรารบความเพียรจะต้องประกอบด้วยองค์มรค5ประการคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ในหมวดสมาธิและสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะในหมวดปัญญาเพระเหตุนั้นในคมภีอัตถกถาจึงเรียกองค์มัคทั้ง5ประการนี้ว่าการกรรมัคเป็นมัคที่ทําการงานส่วนองค์มัคอีกสมประการที่เหลือซึ่งได้แก่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสสัมมาวายามะจัดอยู่ในหมวดศีล ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจำต้องรักษาให้บริสุทธิ์ก่อนเริ่มปฏิบัติและในขณะปฏิบัติทั้งนี้เพราะการปฏิบัติธรรมยังมีส่วนช่วยพัฒนาให้ศีลบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นกล่าวคือเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมย่างเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามตามความเป็นจริงความชอบหรือไม่ชอบในสภาวะธรรมนั้นย่อมไม่เกิดขึ้น ความต้องการจากล่าวเทจ ด, ด้วยความชอบหรือไม่ชอบสภาวธรรมนั้นย่อมไม่มีในทํานองเดียวกันความต้องการที่จะพูดส่อเสียดหรือเพ้อเจอ้อก็ไม่มีเช่นกันดังนั้นการล่วงละเมิดมิจฉาวาจาจึงไม่เกิดขึ้นส่วนการละเมิดศีลข้ออื่นเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และทาผิดประเวณีหรือประกอบอาชีพทุจริต ก็ไม่อาจเกิดขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นตลอดเวลาที่ผู้ปฏิบัติธรรมเจริญสติระลึกรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงสัมมาวาจาสัมมากรมมตะและสัมมาอาชีวะย่อมพัฒนาไปพร้อมกันกับสัมมาทิฏฐิจึงกล่าวได้ว่าในทุกขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้สภาวะพองยุบนั่งกระทบสัมผัส คิดปวดเมื่อยร้อนเห็นได้ยินขอย่อมพัฒนาองค์มรรคทั้ง8ดไปพร้อมๆกันดังนั้นในทุกขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอยู่นับว่าเป็นการพัฒนาองค์มรรคทั้ง8ให้เจริญในมัชฌิมานิกายอุปริปันธาตมหาสลายตะนิกสูตร ได้อธิบายถึงการพัฒนาองค์มรดไว้ว่าเมื่อพิกษุรู้เห็นจักขุรูปารมจักขุสัมผัสและเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสตามความเป็นจริงความพอใจในจักขุรูปารมจักขุสัมผัสแลเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นความยึดมั่นถือมั่นในจักขุย่อมไม่มี มีแต่ความเบื่อหน่ายดังนั้นอุปทานอาคารย่อมไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ปัญหาในสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นอันถูกละไปครั้นแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการเกิดขึ้นขององค์มรรคทั้งแปดอย่างบริบูรณ์ว่าความเห็นอย่างนั้นของเขาเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริอย่างนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะ ความเพียรอย่างนั้นเป็นสัมมาวายามะความระลึกอย่างนั้นเป็นสัมมาสติความตั้งมั่นอย่างนั้นเป็นสัมมาสมาธิอนหนึ่งกายกรรมวจิกรรมและการเลี้ยงชีพของเขาย่อมหมดจดอย่างยิ่งก่อนโดยแท้อริยมรรคมีองค์แปดนี้ย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาด้วยประการชนนี้ พระสูตรที่ยกมาข้างต้นนี้เป็นคำอธิบายวิธีพัฒนาอริยมรรคมีองค์8ดโดยยอ่อผู้ที่สนใจคำอธิบายโดยพิสดารควรศึกษาจากมหาสลายตานิกสูตรข้างต้นในคำพีอัตถถากล่าวว่าอริยมรรคมีองค์แดเกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์ในขณะบรุลโลกุตระมรรค การอธิบายความในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่าอุ ก, กัตนายกกคือสำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่สูงสุดอย่างไรก็ตามอาจจะตีความเรื่องนี้ได้โดยโอมักกันนยคือสำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่ต่ำสุดจึงหมายถึงการเกิดขึ้นขององค์มรกแปดในขณะเจริญวิปัสสนา เมื่อถือเอาดังนี้ก็จะสอดคล้องกับข้อความในพระบาลีที่กล่าวถึงการรู้เห็นจากขุรูปารมณ์และจากขุสัมผัสเป็นต้นตามความเป็นจริงเพราะปัญญาที่รู้เห็นดังกล่าวเกิดจากวิปัสนาแต่โลกุตระมักไม่ได้รับเอาจากขุเป็นต้นเป็นอารมณ์เพียงแต่ทำหน้าที่แทงตลอดเท่านั้น และเมื่อวิปัสสนามักหรืออริยมักมีองค์8ในขณะเจริญวิปัสสนาได้พัฒนาจนถึงระดับสูงสุดแล้วผู้ปฏิบัติธรรมย่อมบรรลุถึงโลกุตระมักอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติข้อความที่กล่าวมานี้จัดเป็นแนวทางในการเจริญอริยมัคมีองค์8ในขณะเห็น ส่วนแนวการปฏิบัติในขณะได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสและนึกคิดเรื่องราวต่างๆพอเป็นที่เข้าใจได้ตามในที่กล่าวมาแล้วในบรรดาอริยสัจสี่ 4, ทุกขสัจคืออุปทานาคารหที่ปรากฏทางทวารทั้ง6เป็นสภาวะที่ควรกำหนดรู้ปริญญยัยธรรม การกำหนดรู้ทุกขัสตร์ตามความเป็นจริงนั้นมีได้ด้วยการระลึกรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันที่ปรากฏในขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสและคิดนึกในการกำหนดรู้ทุกขศัตร์ตามวิธีที่กล่าวมานี้อริยมรรคมีองคศ8ซึ่งเป็นธรรมที่ควรเจริญในวงเล็บ ภาเวตัพธรรมก็ได้รับการพัฒนาให้เจริญงอกงามขึ้นทุกขสัตร์ที่ผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ด้วยการปฏิบัติวิปัสนาชื่อว่าอาร ม, มณะคืออารมณ์ที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดให้เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าตกหยุดในไตลักษ์ส่วนมรรคสัสต์ซึ่งเป็นปัญญาที่เข้าใจทุกขศตร์ ชื่อว่าอารัมมานิกะคือสภาวะอย่างรู้เป็นธรรมที่ควรพัฒนาอริยมรรคมีองค์แปดยอมพัฒนาได้ด้วยการกำหนดรู้ทุกขัสัจและเมื่ออริยมรรคได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วจึงจะรู้แจ้งพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งสัจชิกาตับภธรรมส่วนปัญหาจัดเป็นธรรมที่ควรละปะหาตับภะธรรม ขอย้ำว่าทุกขศัตร์เป็นสภาวะที่ถูกรู้ในวงเล็บอรัมมะนะและมะัคคสตร์เป็นปัญญาอย่างรู้อรัมมณนิกะทั้งนี้มีบางคนอ้างว่าการกำหนดรู้รูปนามที่เป็นทุกขศัตร์ย่อมส่งผลให้เห็นทุกเพียงอย่างเดียวจึงควรกำหนดรู้พระนิพพานเพื่อให้เกิดความสงบสุข การกล่าวอ้างในลักษณะเช่นนี้นับเป็นการกล่าวตู่พระพุทธพจน์และทำลายความเจริญรุ่งเรืองของพระาศาสนาการรู้แจ้งอริยสัจสีด้วยวิปัสนาญาณการกำหนดรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏทางทวารทั้งหกโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนคือความเข้าใจทุกข์สัตว์อย่างถูกต้องดังนั้นทุกขณะที่มีการกำหนดรู้เช่นนี้จัดเป็นปริญญาปฏิเวทคือการแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้และเนื่องจากตัณหาที่พอใจในอารมณ์ไม่อาจเกิดขึ้นได้จึงนับว่าเหตุให้เกิดทุกข์ถูกดับไปชั่วคราวในขณะนั้นจัดเป็นปหานะปฏิเวท คือการแทงตลอดด้วยการละเมื่อตัณหาถูกขจัดไปอุปทานกรรมสังขารวิญญาณและนามรูปที่ประกอบกันเป็นกิเลสวัดกรรมวัดและวิปากวัฏซึ่งมีตัณหาเป็นปัจจัยย่อมเกิดขึ้นไม่ได้โดยถูกขจัดไปเป็นตตังขปหานะ บุคคลนั้นเรียกว่าเข้าถึงนิพพานได้ชั่วขณะในวงเล็บตัทังคณิโรดด้วยอำนาจวิปั ส, สนาจัดเป็นสัจฉิกิริยาปฏิเวทคือการแทงตลอดด้วยการรู้แจ้งนอกจากนั้นในขณะกำหนดรู้ทุกขสัจอริยมักมีองค์แปดที่นำหน้าโดยสัมมาทิฏฐิจะถูกอบรมให้เจริญขึ้นในจิตของตน จัดเป็นภาวนาปฏิเวทคือการแทงตลอดการอบรมสรุปความว่าการกำหนดรู้อารมณ์ทางทวารหกทำให้เข้าใจทุกขศาสตร์ตามความเป็นจริงปริญญาปฏิเวทซึ่งเป็นเหตุให้ละสมุทัยได้ชั่วคราวปหานาปฏิเวททำให้เกิดความรู้แจ้งสัจฉิกิริยาปฏิเวท และพัฒนาวิปัสนามักให้เจริญในวงเล็บภาวนาปฏิเวทด้วยเหตุนี้ในทุกขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้สภาวะธรรมทางทวารหกจึงเป็นการกระทำเกี่ยวกับอริยสัจ ท, ทั้งสี่อย่างไปพร้อมกันคือกำหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งและเจริญมักด้วยการปฏิบัติธรรมเช่นนี้ วิปัสสนามักย่อมรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจว์่และเมื่อวิปัสสนามักเจริญเต็มที่โลกุตระมักที่เห็นแจ้งพระนิพพานย่อมเกิดขึ้นในขณะที่บรรลุมักนั้นโลกุตระมักที่นำมาโดยสัมมาทิฏฐิได้ถูกพัฒนาจนสมบูรณ์เกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตทำหน้าที่กำจัดตัณหากำหนดรู้ทุกขศาส ตามความเป็นจริงรู้แจ้งความดับรูปนามและทำมักให้เจริญจึงกล่าวได้ว่าโลกุตระมักได้แทงตลอดอริยสัจสี่ไปพร้อมกันการละตัญหาเกิดขึ้นสี่ระดับคือโสดาปฏิมักละตัญหาอันส่งผลให้เกิดในทุกติภูมิสกทาคามมมักละกามตัญหาอย่างหยาบ และตัณหาที่ส่งผลให้เกิดในกามสุขติภูมิเกินหนึ่งชาติอนาคามิมากละกามตัณหาอย่างละเอียดและอรหัตตมรรคละรูปราคะและอรูปปาคะพร้อมทั้งกิเลสอื่นได้ทั้งหมดอนหนึ่งภาวะตัณหาของคนทั่วไปมักประกอบด้วยสันสตะทิฏฐิความเชื่อว่า พบเที่ยงแต่พระวัตหาของพระอนาคามีนั้นไม่ประกอบด้วยทิฏฐิประเภทนี้ตามคำอธิบายข้างต้นนั้นเมื่อมรรคปัญญารู้แจ้งนิโรธสัตย์โดยรับเอาเป็นอารมณ์อยู่ย่อมกระทากิจที่เกี่ยวกับสมุทยัทยสัตย์นิโรธสัตย์และมรรคสัตย์ให้สำเร็จไปพร้อมกันด้วยการกำหนดรู้ ในวงเล็บปริญญาด้วยการละในวงเล็บปหานะและด้วยการเจริญในวงเล็บภาวนาในทํานองเดียวกันเมื่อวิปัสสนาปัญญากำลังรู้ทุกขัสสะก็เป็นอันธทรรมกิจที่เกี่ยวกับสมุทยัยศาสตร์นิโรธศาสตร์และมรรคศาสตร์ให้สําเร็จไปพร้อมกันและเมื่อวิปัสสนามรัก ที่เกิดจากการกำหนดรู้ทุกขสัต์เจริญมากขึ้นอริยมรรคมีองค์แปดย่อมสำเร็จจิตจะยังลงสู่พระนิพพานอันเป็นสภาวะดับทุกข์คือการดับรูปนามทั้งหมดในขณะบรรลุมรรคนั้นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้รับเอาการดับของตัณหาเป็นอารมณ์แต่รับเอาการดับของรูปนามเป็นอารมณ์ เพราะนิพานหรือนิโรธสัตว์คือสภาวะดับรูปนามดังคุณสมบัติของนิพานที่ปรากฏในพระบาลีว่าสัพพสังขารสัมมาถโถในวงเล็บความสงบไปของสังขารทั้งหมดการตรัสถึงนิโรธสัตว์ว่าเป็นความดับสนิทของตัณหาเป็นเพียงสำนวนที่กล่าวถึงการดับของตัณหา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะเมื่อตันหาดับทุกข์ก็เป็นอันดับไปด้วยโดยเหตุที่โลกุตระมรคนำไปสู่การดับทุกข์ทั้งมวลจึงได้ชื่อว่าทุกขะเนโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจคืออริยสัจที่เป็นทางปฏิบัติสู่ความดับทุกข์แต่หากปราศจากวิปัสสนามรคแล้วก็ไม่มีการบรรลุโลกุตระมรค และการทำพระนิพพานให้แจ้งผู้ที่ได้สั่งสมบา ร, รมีด้วยการเจริญวิปัสนามาเป็นเวลานานเท่านั้นจึงจะมีพลังส่งให้วิปัสนามัคสำเร็จเป็นโลกุตระมัคด้วยเหตุนี้วิปัสนามัคจึงได้ชื่อว่าบูรพะภาคมัคที่นำไปสู่โลกุตระมัคความเจริญแล้ววิปัสนามัค และโลกุตระมักจัดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางดังคำพีสัมโมหะวิโนทนีกล่าวถึงวิปัสสนาว่าเป็นพื้นฐานของโลกุตระมักว่าอริยมักมีองคศาที่เป็นโลกุตระนี้พร้อมทั้งโลกิยามักในวงเล็บคือวิปัสสนา ย่อมถึงการนับว่าเป็นหนทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์แม้มรรคสัตย์จะหมายถึงโลกุตระมรักโดยตรงแต่โลกุตระมรักไม่สามารถเกิดขึ้นเองโดยปราศจากวิปัสสนามรักเป็นพื้นฐานเนื่องจากต้องเจริญวิปัสนาจนกระทั่งบรรลุญาณทัศนก่อนโลกุตระมรักจึงจะเกิดตามมาดังนั้นโลกุตระมรัก และวิปัสสนามักจึงรวมเรียกว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา